ก็อันนี้เรา <c oughs> วัดกัน <c oughs> มากนะในช่วงแรกฟังพุเทียนพูดถึงเรื่องของอารมณ์รูปนามนะก็สรุปได้ ว, ว่าารูปนามเราจาเป็นต้องเข้าใจด้วยตัวเองนะไปถามใครไม่ได้นะฮะคือเรา ยาามดึงกายมาสัมผัสกับใจสกายสัมผัสกับกายให้ให้ได้นานๆนะให้ได้นานเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รวมไว้นานๆนะจิตของเรามันก็จะไปตามที่มันเคยไป น, ะนี่การที่เราจะให้ประคองความรู้สึกทั้งสองอย่างเนี่ยไปนานๆนนะมันก็จะต้องมี การประคับประคองก็มีความพยายามมันใช้คําว่าใจความประคองตั้งจิตไว้เพื่อให้กายกับใจเนี่ยมีอยู่ร่วมกันเพราะกายกับใจอยู่กันกุศลธรรมเกิดนั่นแหละปัฏฐานิประคองตั้งจิตไว้ อันีการประคองทั้งจิตไว้นึคือประคองวัตถิกายนะจะรู้ ก, กายกับใจไปด้วยกันมันจะเห็นสิ่งที่อยู่ในกายทั้งหมดเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนสบายตรงไหนไม่สบายตรงไหนเห็นชัดนะเห็นชัดเมื่อกายใจเราเห็นกายและใจชัดตัวที่ใจเนี่ยมันจะหลีกไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีเพราะมันมีกายเป็นที่อยู่ แต่ถ้าออกมันไม่ไม่ซึมซับรับรู้ต่อกายความเป็นไปของกายาชัดๆใจก็จะไปหาเรื่องหาอารมณ์เป็นที่อยู่แทนที่มันเคยไปซึ่งตัวอารมณ์ต่างๆที่ใจไปด้วยเนี่ยเสียเป็นความคิดเป็นการปรุงแต่งอดีตเป็นอนาคตมัน เนื่องจากมันไม่มันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไวเปลี่ยนแปลงไว้ใจแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกับสิ่งที่มันไปเกาะไปเกี่ยวแต่พอมาเอากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของการา ร, กรู้ก ร, รู้เป็นที่ตั้งของการกเฝ้าดูเป็นที่ตั้งของการกําหนดนี้มันเป็น สภาวะที่ค่อนข้างคงที่เนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงเนี่ยมันก็จะปีอยู่ไงทั้งวั น, นความหนักความเบาความสบายไม่สบายการเก็บความปวดก็จะปรากฏให้เห็นตลอดเวลาการที่เราได้อารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏในรงกายทึ่เป็นอารมณ์ที่รู้สึกสัมผัสได้ง่ายเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของจิตจิตมันก็รวม ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ไปไกลมันไม่ไปไกลคือไม่แปอดีตอนาคตแต่มันอยู่ปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นนิวรณ์ทุกตัวก็สงบเพราะว่ากําลังของสติสมาธิปัญญามันเข้มแข็งเพราะนั้นในอารมณ์รูปนาเบื้องต้นถึงได้มีปิติความโล่งเบาโปร่งสบายไปต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งมันก็จะเห็น รูปนามเห็นรูปนามเห็นกายเป็นกายเห็นกายเห็นใจเป็นใจไม่ปนกันเมื่อก่อนมันปนกันเห็นกายเป็นใจเห็นใจเป็นกายนะเห็นกายเป็นเราเห็นเราเป็นกายเห็นความคิดเป็นเราเห็นเราเป็นความคิดเห็นอารมณ์เป็นเราเห็นเราเป็นอารมณ์เห็นโกรธเป็นเราเห็นเราเป็นโกรธอะไรเนี่ยมันไม่ได้แยกกันออกเพราะฉะนั้น ถ้าเราแยกออกนี้แล้วเนี่ยโรคปุ๋ลงก็จะเกิดไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่ไปเพราะใจที่มันจะไปเป็นโรคปุ๋ลงได้เนี่ยมันจะต้องมีความสังขารเป็นอารมณ์ความคิดปรุงแต่งเป็นที่สังขารความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันอาศัยอดีตอนาคตเป็นตัวปรุงถ้าจิตไม่อยู่ปัจจุบันานานเนี่ยมันไม่มีอดีตอนาคตมันก็ปรุงไปไม่ได้ เมื่อจิตปรุงไปไม่ได้ตัวกิเลสต่างๆที่อาศัยความคิดเกิดมันก็เกิดไม่ได้อันนี้คือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเราจึงอาศัยกายเป็นที่ตั้งเป็นหลักเพราะมัน อ, อยู่ใกล้ที่สุดไม่ไปต้องไปนึกไปคิดไปศึกษาไตรตรองอะไรมากเพียงแต่ตามรู้ ตรวความรู้ลงไปนนะปัจจุบันมันก็เห็นแล้วทีนี้พอเรามาเห็นนะรูปเห็นกายของเราเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาพิจารณาต่อไปว่ากายเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรมันจึงมีความเป็นอย่างนี้จึงแปลปรวนแปรแปลงแตกดับตลอดเวลาดูไปดูมาแล้วก็เริ่มเห็นนะเห็น อันนี้จังทุกขังหน้าตาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองที่มันเป็นอย่างนี้แ ป, นปน แ, ปแปลกดันเปลี่ยนแปลงแตกดับมันเป็นรูปรูปที่จะเป็นไปตามไตรรักมันไม่ใช่เรานะแต่อย่างนั้นเราก็อย่าตามดูตามแยกความรู้สึกกายกับกรู้สึกใจรู้สึกกายไปเรื่อยๆความเพียรแต่ว่าตามรู้ความรู้สึกที่เป็นกาย ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็น อ, อดีตอนาคตแล้วตามรู้ในส่วนที่เป็นนามคือเป็นตัวรู้ล้วนๆไม่ปะปรุด้วยกิเลสตัณหาต่างๆมันเป็นตัวรู้คือตัวรู้นี่มันก็กลั่นออกมาจากตัวที่เราไประลึกสิ่งที่กําลังเกิดแต่ละเวลานั่นแหละ สิ่งที่เกิดในกายเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดอยู่ฮับ ร, ระอาปากหายใจเกิดอยู่เลีวยวไส้แลง ข, ขอกลมเงยอ่ะมันก็เกิดความรู้สึกอยู่เราอยู่ในรีบทนั่งความรู้สึกอรีบทนั่งก็ปรกากฏชัดอยู่เราก็เอาความรู้สึกที่มันเป็นไปในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์จะมีปัจจุบันเป็นอารมณ์นะ เมื่อมีวิญญาณไปลุมเราฝึกอยู่กับปัจจุบันจนคุ้นชินด้วยเห็นโทษของอดีตอนาคตที่มันยังไม่ถึงเวลาจะต้องใช้มาเห็นโทษของมันว่ามันนําไปสู่สังขารการปรุงแต่งต่างๆนานาปรุงแต่งเป็นบุญบ้างปรุงแต่งเป็นบาปบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วปรุงแต่งเป็นรักเป็นชังเดี๋ยวก็ไปเห็นนะสิ่งเหล่านี้ยว่า จิตของเราที่ไม่มีอารมณ์ปัจจุบันเป็นที่อยู่จิตของเรามันจะเป็นการปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆการปรุงแต่งไปเรื่องต่างนี่เอง <c oughs> จันจึงบัญญัติเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวไปในวัฏจัสงสารวัฏจักก็คือวนไปวนมาอยู่ที่เก่านะครับมันไปไ ป, ไ, ป, ไ, ปไหนไหมเหมือนกับภายเรือในอ่างอ่ะภายวันยังค่ำก็ไม่ไปไหน วนอยู่ในนี่แหละนนี้ถ้าเกิดตายเกิดตายเกิดตายทุกชั่าวมันก็ไม่ไปไหนมันก็ไปสุขทุกสุขทุกสุขทุก อ, อยู่แค่นั้นแหละวนอยู่แค่นั้นไปเทวดาแล้วก็ไปไนรกไปนรกก็ไปเทวดาอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนเช่ทีนะแต่พระพุทธเจ้าท่านได้พบพ้นพบฝั่งใหม่ว่าฝั่งนี้มีแต่เวียนว่ายไม่ไม่พถถน้นสักทีหนึห้ไม่พ้นการเวียนว่ายอยู่ในกระแส ท่านก็เลยให้ไปฟังใหม่ไปฟังนูน้นฝั่งที่ไม่มีกระแสฝังที่ไม่มีอันตรายคือฝั่งแห่งการไม่ทุกขฝังของการตื่นรู้ที่ไม่ทุกนะพอจิตของเราไปอยู่ฝั่งนั้นก็มัหมายความว่ามันเป็นสุขนะแต่มันได้รับรู้ทุกตามความเป็นจริงแล้วไม่เข้าไปเป็นทุกขเท่านั้นเองคือไม่ไม่ทุกอะ่ะ เดียกว่าไม่ทุกข์แต่ขณะเดียวมันก็ไม่สุขอย่างที่เราเคยคิดอย่างที่เราเขากล่าวขานแต่มันเป็นภาวะที่ไม่ทุกข์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจว่าภาวะสุขเป็นอะไรทุกข์เป็นอะไไม่ทุกข์เป็นอย่างไรไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอย่างไรเห็นอาการ แต่ระยางระยางระอย่างแยกออกจากชัดเจนอ๋อที่ว่าบัญญัติว่าเป็นทุกข์คือมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นอ๋อที่บัญญัติว่าเป็นสุขคือมันเป็นอย่างนี้แล้วบัญญัติว่ามันกึ่งสุขกึ่งทุกข์มันเป็นอย่างนี้เห็นชัดๆนะพอเห็นชัดแล้วมันก็จะแยกออกนะถ้าเป็นอ่า ผลไม้นะ่ะสมรมันมีสองซีกแบบเปลึกทั่วนะประกบเข้าด้วยกันซีกหนึ่งเป็นความสุขซีกหนึ่งเป็นความทุกขนะ์ในการห่อหุ้มของสุขของทุกข์นั้นเมื่อแกะเม็ดออกมามันเป็นมเมล็ดพืชแห่งรู้เรียบโพธิโพธิปัญญานะทั้งสุขทุกข์มันก็เปลึกทั่วสองซีกประกบกันเท่าั้นเอง เรามาาออกนะมาแกะเปลือกมันออกแล้วปรากฏว่ามีมเมล็ดแห่งโพธิอยู่ข้างในคือมเมล็ดแห่งการตื่นรู้เราก็เอามะเร็ด ม, มาเพาะอีกทีหนึ่งนะเพนะราะฉะนั้นเบื้องต้นที่ให้รู้จกักลูกจากน้ํำนี่เพื่อกระทอบเปลือกของอ่าภาวะของการตื่นรู้ออกแยกกันให้ออกเมื่อก่อนเป็นฝักเดียวกันทั้งเม็ดทั้งฝักทั้งอ่า สองอันเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นฝักเป็นถั่วฝักยาวอ่ะนะพอมันแก่มามันก็เป็นโคลาซีอนะเราก็ได้เอาเมลิตมาเพาะขึ้นเป็นต้นเงินเป็นต้นถั่วนี้เหมือนกันเราก็เอาตูวรู้เนี่ย <c oughs> มาเพาะให้มันเติบโตเป็นต้น <c oughs> เป็นต้นโพเป็นต้นโพ เมื่อต้นโพธิมันริ่มใหญ่ริ่มโต ร, ริ่มเข้มแข็งจิตก็ไปอาศัยเพราะว่าจิตไปอาศัยโพธิอพอจิตไปอาศัยโพธิแล้วจิตนั้นจะเข้าถึงการดัสรู้ได้พระนภูริเจ้าทุกงองค์ที่ดัสรู้ต้องไปดัสรู้ใต้ต้นโพธิคือหมายถึงตัวนี้หมายถึงจิตทุโลงจะต้องเกิดตัวโพธิปัญญาเสียก่อนมันถึงจะไปสู่การดัสรู้ได้ นะัะบุคคลที่ได้ตัวรู้ตัวนี้ท่านเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์ต่อเมื่อตัวรู้ ต, ต, ต, ตัวนี้เติบโตเมตัวนี้เติบโตเป็นพุทธภาวะเป็นพุทธเป็นทุตภาวะละไม่ใช่เป็นโพธิสัตว์เป็นพุทธภาวะเป็นเติบโตเป็นเป็นตึ้น เป็นต้นเป็นดอกเป็นดอกเป็นผลละเพราะฉะนั้นเองการที่เราพยายามคือพยายามแกะเอาใจออกมาจากสุขกับทุกเหมือนเราแกะเม็ดถั่วแหละออกมามันมีสองซี่คือเห็นเป็นว่าขามใเวลาเราปลูกเนะี่ยมันจะมีสองสองซี่ไอ้ระหว่างกลางซี่เขามันมันจะมีนออ่อนเข้ามานะ นี่น่อขึ้นมาตัวนั้นอะ่ะเป็นเป็นหน่อแห่งโพธิทางเหนือเรียกว่าหน่อพุทธังกูลนะเม็ดมะขามเราเห็นชัดนะมาคลิกซ้ายซีขวาซีซ้ายซีขวาเนี่ยรวมเป็นเม็ดเดียวกันซีซ้ายคือสุขซีขวาคือทุกข์รวมเป็นอันเดียวกันซีซ้ายคือกายซีขวาคือใจมันรวมเป็นอันเดียวกันเวลาเรา มาปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาตัวมเมล็ดคือตัวรู้ตัวเนี่ยรู้ดโดยสัญชาติญาณ น, นีู่นะมันเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งพ อ, เ, อเรามาเพาะพอนเพาะพอนออมันแยกขึ้นตรงกลางปั๊บมันก็ปีบทั้งสองข้างก็แตกออกอ่พอแตกออกปั๊บอีกต้นมันก็ลืมเติบโต เพาะฉนั้นสุขทุกข์ที่มันห่อหุ้มจิตใจของเราเนี่ยพอ <c oughs> เรามาลงในรูปในนามเหมือนกับเอาต้นไม้มาลงดินเนี่ยมันก็เริ่มแตกหน่อออกมาเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้เ ป, รเป็นสติสัมยะรู้นั้นรู้นี้ออกไปเป็นญาณ น, นั้นญาณ น, นี้ออกไปเติโตขึ้นไปเรียกวโพธิญาณเรียกโพธิญาณเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามพยายามปรับ ปรับอินทรีย์ของเราเนี่ยการปรับอินทรีย์ของเราให้เข้มแข็งให้เหมาะการภาวนาวก็เมันเราพยายามปรับต้นไม้ที่มันเริ่มแตกน่อแตกกอแตกก้านมามันละวานก็้พอเราปรับพอมันได้ที่แล้วก็ถอนออกมาปลูกอย่างเงนะี้ยนะปรับรู้จักปรับว่ามาทําไงให้มันพัฒนาถ้ามันอยู่ในแปลงก้าด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่พัฒนานะ เมล์ยาหลวงเล็กๆต้นเล็กๆแต่พอเราแยกออกไปปลูกเป็นที่ใครที่มันกอมันก็โตขึ้นเหมือนกันสติที่เป็นสัญชาติญาณเหมือนก็เหมือนกระตัวกล้าที่อยู่ในแปลงทีๆเขายังไม่ได้ถอนออกมาปลูกนะเป็นเป็นเป็นเนสเซอรี่บริบาลนี่เราก็อนุบาลเอาไว้ในช่วงที่ ตัวสติสัมยะนี่ไม่เข้มแข็งอนุบาลไว้พอแยกไปปลูกต่างหากนี่สติสัมยวนี้มันก็จะแยกตัวออกมาจากตัวสัญชาตญาณเติบโตเราก็ค่อยๆประคับประองเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าสติสัมยะนี่มันเห็นเห็นได้กว้างขึ้นเห็นได้ลึกขึ้นแยกได้ชัดขึ้นว่าอันนี้เป็น อ่สุขอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปแล้วก็แยกแยกกายแยกใจออกจากกันแยกทุกข์ออกจากกายแยกปวดออกจากกายได้มีอยู่แต่แยกออกมาว่าไม่ให้เราไปเป็นทุกข์แยกตัวทุกข์ไว้ที่หนึ่งแยกตัวเราไว้ที่หนึ่งแยกตัวรู้สึกไว้ที่หนึ่งเห็นมองเห็นกันอยู่ จิตของเราก็จะไม่ถูกบีบคั้นด้วยเวทนาหรือบีบคั้นด้วยทุกข์ <c oughs> นะเพราะว่าเราเอาจิตแยกออกมาแล้วนี่เวทนาต่างๆมีอยู่แต่บีบคั้นจิตไม่ได้พอราแยกจิตออกมาตั้งหา้าจิตก็จะมาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแต่เมื่อก่อนนั้นเราไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นจิตมันยังไม่มีกำลังนะมันก็ไปเป็นทุกข์ เป็นเราเป็นเขาเป็นดีเป็นชั่วไปไปเข้าไปเป็นแต่พอเรามาเข้าใจแยกชัดอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นน่ะเมื่อก่อนเราเป็นผู้แสดงไงผู้แสดงละครแต่พอรู้ว่าการแสดงละครมันหนักมันเหนื่อยมันลำบากเราเลยแยกตัวมาเป็นผู้ดูแยกตัวมาเป็นผู้ดูสบายกว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้แสดง แสดงบทบาทของความสุขบทบาทของความทุกข์บทบาทของผู้ร้ายบทบาทของอำนานบทบาทของพระเอกแสดงบทบาททั้งนั้นอันนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะเราไปแจกแสดงจริงๆด้วยเราบางครั้งเราก็ถือหน้าที่บทบาทเป็นพ่อเราก็ทำหน้าที่พ่อจริงๆใครมาด่าว่าพ่อไม่ดีนี่ไม่ได้เราก็โกรธ เราแสดงบทบาทว่าเป็นแม่เพราะลูกมันไม่เคารพลูกมันด่าเราเราก็โกรธเราก็ทุกข์เพราะเราเข้าไปเป็นผู้แสดงแต่พอเรามาเห็นทุกข์อย่างนี้แล้วเราก็มาแยกแยกตัวนั้นออกมาแยกหน้าที่ออกมาว่าเราจะไม่เป็นผู้แสดงแล้วต่อไปเราจะเป็นผู้ดูมานั่งดูวันหนึ่งกายมันทําอะไรบ้าง ใจมันคิดอะไรบ้างดูไปเรื่อยๆแต่เมื่อก่อนเราโดดเข้าไปร่วมเขาจะว่าเราดีไม่ดีเราก็ดูเฉยๆดูใจคิดยังไงแต่เมื่อก่อนไม่ได้เราแสดงเขาว่าเราดีล้วก็แสดงว่าเป็นคนดีให้เขาเห็นเราว่าเราเป็นไม่ดีล้วก็แสดงความไม่ดีเขาเห็นเนีย่ยดนั้นใน หลักปฏิบัติอันเนี้ยมันชัดเจ น, นเห็นแจ้งไม่มีอะไรน่าสงสัยเครือบแคลงเพียงแต่ว่าเราเพียรยังไม่พอบางครั้งเราก็ยังสงสัยอยู่เว่าเราก็ทําอยู่นะว่าทําไมเราไม่เห็นแจ้งมันยังไม่ถึงเวลาอย่าเคยได้กล่าวแล้วว่าถ้าเราเม็ดถั่วเม็ดงาไปลงดินเนี่ยสามสี่วันมันอาจจะงอกแต่เอาเม็ดมะขามเม็ดมะข่าไปลงดินมันอาจจะปีส สปีอะไรเดือนสองเดือนมันยังอกมันจะช้าจิตของเราคนไหนแข็งกระด้างไม่ค่อยมีศรัทธาไม่ค่อยมีความเชื่อถืออะไรจริงจังทํำมันก็มันจิตมันแข็งกระด้างอยู่ก่อนมันจะอ่อนมันจะโยนเม็ดเมล็ดทุกเม็ดะก่อนมันจะบิแทงต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเม็ดมันจะต้องอ่อนนะเม็ดมันเยะนุ่มเยอะก่อน อย่างเม็ดมะข่ามันแข็งขนาดไหนพอไปลงดินข้าวพักนะึงพอนอกหน่อมันเริ่มแทงยอดขึ้นมาเนี่ยเม็ดมันจะนิ่มละตามปกธิมันแข็งมากจิตของเราเหมาือนกันกวนนอยพุทธภาวะจะพัฒนาขึ้นมาจิตของเราจะต้องนิ่มนอนอ่อนโยนนิ่มนอนอนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนมันเทอนิ่ม จิตของเราก็จะอ่อนโยนลงมานั่นหมายถึงคนมีศรัทธาเชื่อมัน่นน่ะในพุทธศาสนาระสงฆ์แล้วจิตของเราได้อ่อนโยนลงมาตรงนั้นอ่าน่ออ่อนแห่งพุทธภาวะค่อยๆพัฒนาขึ้นเช่นนี้เชนนี้นี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยนะแต่ว่าเราจะสังเกตรหรือไม่เท่านั้น่ะแต่ถ้าจิตของเรามันยังไม่เริ่มใส่ศรัทธาพอ ที่ของเราก็ยังแข็งยังกระด้างยังยังไม่นิ่มนวลยังไม่อ่อนโยนยังไม่สํารวมนะทั้งนี้แทั้งนั้นเราศรัทธาเรายังอ่อนไปแต่ศรัทธาเราเข้มแข็งไหมเพราะว่าพิสูจน์กันที่ความเพียรพิสูจน์กันที่ความเพียรว่าความเพียรเราต่อนเนื่องมากไหมแต่ถ้าหาว่าเรามีศรัทธาเข้มแข็งแต่ความเพียรไม่ต่อนเนื่องศรัทธานั้นก็ยังไม่ถูกศรัทธาเมราะศรัทธาภายนอกอยู่ จะเป็นศรัทธาภายในนี้มันจะทำให้มีความเพียรถ้าให้เกิดความเพียรถ้าให้เกิดความรักความชอบที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นมีศรัทธามันคงแต่ถ้าเอาศรัทธาของเรายังไม่มันคงเราก็ยืนยันยอมทำบ้างไม่ทำบ้างต่อบ้างไม่ต่อบ้างมื่งเกียรตอะไรเข้ามาจีของเราก็ไปกับมันช่ น, นี่อเรื่ศรัทธายังไม่เข้มแข็งท่าศรัทธานี่หมายถึงตัวความเพียรด้วยนะถ้าหากว่าเรามีศรัทธาถ้าไม่มีความเพียรศรัทธานั้นก็ไม่ใช่ศรัทธาในพู้ศาสนานะอันนี้ให้เราไปพิจารณาทีนี้เมื่อวานเราให้การบ้านว่าไปสำรวจตรวจสอบไปเคลีย ว่านิวรณ์ทุกตัวมีตัวไหนบ้างอย่างตกค้างจนมาถึงวันนี้ก็ปรากฏว่าหมดทุกตัวแล้วใช่ไหมแต่คนไม่มีนิวรณ์เหลือเหลืออยู่เลยใช่ไหมความม่วงก็มีความความเบื่อความเซึงความคิดความรังเล ก, ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมมาถึงจุดนี้ไหนมโยนนามีสักตัวเลยใช่ไหม อ๋ยังมีอยู่อ๋อไม่ถือว่ามันหายหมดแล้วเหลืออ๋ยังปล่อยให้มันมีอยู่อย่างเงี้ยอ๋อยังพยายามทำอยู่เนะเอ๋แล้วที่เหลือสักเท่าไหร่ก็เอาไปทําต่อให้มันหมดกันแล้วกันทำต่อให้มันหมดแล้วท่านอูมารายงานแต่เช้าเลยในชานี้โอ้ได้อาลมดีมากเลยไม่ปรุงแต่ง วันนี้ก็ทำได้ทั้งวันในสบายพระถ้าพระนี่เอาจริงเอาจังนี่พระก็ไปได้เร็วนะแต่ส่วนใหญ่พระไม่ค่อยจริงจังเราพระว่า ม, มุนวัดมีเวลาเยอะทำเมื่อไหร่ก็ได้อย่างก็ดีสบายไม่อยากทำละแต่ถ้าเอาพระเอาจริงเอาจังพระก็จะรู้ไวัยก็โยมอยู่เพราะว่ามีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีภาระอะไรมา มีขันเท่าไหร่ไม่เคยมีอะไรต้องรับผิดชอบถึงคั้น้อขาดบาดตายดังนั้นอันนี้ก็มันมีผลนะมีผลอย่างจริงจังเลยถ้าตั้งใจทำนะแต่ต้องทำจริงๆนะไม่ใช่ทำเล่นๆหลอกๆอืมอันนี้เป็นส่วนหะนึ่งดังนั้นในบทเรียนที่น่าจะเอาไปทำในวันพรุ่งนีนะ้ในวันพรุ่งนี้แต่ ช่วงเช้าให้ไปบทเรียนหนึ่งจำได้ไหมลองเอาไปทำดูไหมเอาไปทำดูว่าตามดูอะไรนะ <c oughs> ตามดูการเคลื่อนไหวที่คือโดยละเอียดโดยอีท่วนคือตามดูทั้งหมดของการเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเรา เราย้อนสอนความเคยชินทั้งหมดอะไรที่มันทําทายมันไปด้วยความเคยชิน เ, นเราเราหยุดก่อนแล้ว เ, เริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเผลอทําไปนะหยุดก่อนแล้ว เ, เริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งนะวันนี้ให้ไปทําตัวนี้ใครลองทําดูบ้างให้บ้างที่ทําอย่างจริงจังนั่นดิจําได้เมื่อกี่ครั้งถ้าถ้าเราดูโดยละเอียดยมันต้องจําได้ทุกครั้งเลย อือจาได้ไหมกี่ครั้งประมาณห้าครั้งไหมเห็นว่ามากกว่านั้นเละดูจะมากกว่านั้นมาประมาณนี้นะดูไว้สิบกว่าครั้งได้คือให้ไปดูโดยละเอียดนี่มันจะจําเหตุการณ์ได้เมื่อย้อนและลึกไปที่นําเรื่องนี้มาเสนอเพื่อให้ไปลองรู้กําลังของสัมปชัญญะ คำว่าสัมปัญญะเนี่ยหมายถึงรู้รู้สึกตัวทวับทรอมในสี่สถานรู้สึกตัวทบทรอมในเป้าหมายรู้ตําแหน่งของจิตว่าขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงไห น, นอันที่หนึ่งนะเขาเรียกสัท ธ, ธะสัมปชัญญะรู้เป้าหมายของจิตว่าขณะนี้จิต อยู่ในส่วนไหนบ้างของร่างกายอันที่หนึ่งอันที่สองดูความสะดวกความสบายของกายเนี่ยมีอยู่ชัดเจนไหมเพราะในร่างกายเนี่ยมันมีความไม่สบายอยู่แต่ว่าความสบายก็มีอยู่แต่ในส่วนที่ไม่สบายท่านบอกไม่ต้องไปดูมัน ก็เห็นนะแต่พยายามมองดูสวนที่มันสบายเนี่ยมีบ้างไหมในทั่วร่างกายเนี่นะเนี่ยให้ไปดูอันที่สองดูความสบายของร่างกายเรียกว่าสปา ย, ยะสัมปัญญาให้ไปดูความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มันสบายอืมแต่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันที่สองนี่ท่านหมายถึงความรู้สึกตัวที่รู้สึกว่ามันสบายถึงแม้มีความสบายอยู่นะ แต่ความคือความไม่สบายมีอยู่แต่ความสบายก็มีมีอยู่ในนั่นแหละเรามองเห็นมั้งไหมอันที่สองนะอันที่สามขณะที่เรารู้สึกตัวทุ่พร้อมเนี่ยกายกับใจเนี่ยไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องไหมทุกครั้งไหมที่เราจะขยับเขยื้อนหรือขยับจะเอาอะไรที่อย่างเนี่ยกายกับใจไม่ได้ไปกันด้วยด้วยจริงๆได้ได้ปรับ หรือว่ากายมันเองไปที่แจมันเองนประทหรือกายก้มไปข้างหน้าได้เห็นกายว่ามันมันก้มไปด้วยกันอันที่สามเห็นกายกับใจโคจรด้วยกันไหมวงโคจรหรือไปหรือคนละวงหรือไปวงเดียวกันท่านจึงเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะอันที่สามวันนี้หันส่าหันขวยกี่ครั้งที่รู้สึกได้ว่า ใช่กับจจมาหันไปจริงๆเนี่ยกี่ครั้งใช่รู้เองแต่ต้องรู้ด้วยวันกี่ครั้งอ่าวันสิบครั้งโอน้อยไปโอ้ไม่ได้ไม่รู้สชเก้าสิบครั้งเลยได้แค่สิบเปเซ็นต์เองนะในในร้อยเปอร์เซ็นได้สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะเออนั่นแหละไปแล้วใช่ไหมไปใช่ไปก่อนดูรู้ทีหลังมันไปแล้วนะไปแล้ว ทีนี้อันที่สี่อันที่สี่ท่านใช้คาว่าอะสัมโมหะสัมปัจจะยะให้สมมติเราลุกจากนี่ไปที่นู่นนะพอไปถึงจุดนั้นแล้วให้เลือกอีกทีหนึ่งว่าเมื่อคีดเราเริ่มไปจากตรงไห น, นจากจุดนี้ไปทีน่นี้เราเดินอย่างไรขาซ้ายคือขาขวาออกก่อนเดินเรดวหรือเดินช้าเดินหนักหรือเดินเบานะ่ะ แล้วก็เดินในขณะเดินมีความรู้สึกคิดหรือไม่คิดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมันจะว่าไม่หลงลืมในสิ่งที่กระทาไปแล้วนันใชว่าอะสัมโมหะสัมปัชัญญะ <c oughs> ไม่หลงลืม <c oughs> ในก้าวที่เดินมาแล้วไม่หลงลืมในคําพูดที่พูดมาแล้วไม่หลงลืมในกิจอะไรต่างๆก่อนหน้าที่เราเพิ่งทํามาเนี่ยนะว่าได้ทําอะไรถึงไหนเขาเรียกอะสัมโมหะสัมปชัชชะญะเพราะฉะนั้นตัวสัมปชัชชะยะสี่เนี่ย เป็นตัวรากของสติปัญสีอย่างรากถ้าเสรียบเหมือนก็สติปัญสีเนี่ยว่าเราปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ทันอย่างรากนะเพิ <c> ่ง <oughs> ปลูกแต่หลังจากปลูกไประยะหนึ่งถ้ารากมันเริ่มหยางลงเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะเกิดแล้วแล้วเราจะรู้ว่าต้นไม้นี่ติดหรือไม่ติดถ้าต้นไม้นี่ติดเนี่ยรากมันมันจะรู้สึกว่ามัน เริ่มแตกใบใหม่ใช่ไหนั่นเร็จแล้ว ม, ม, มันติดแล้วแต่ถ้ามันไม่แตกใบใหม่นะไม่แน่มันจะติดนะเพราะฉะนั้นตัวสมัสชยะคือรากของสติเพราะฉะนั้นรากของสติมันจะต้องเป็นเกิดทั่วๆเกิดทั่ ว, วเหมือนกับเราไปตอนกิ่งไม้นะถ้าเราเห็นเล็บ เห็นรากมันเริ่มแทงออกมาจากไอ้ตัวเพาะที่เรากรอเริ่มจะตัดย้ายไปปลูกได้ละตัดไปก็ไม่ตายละนั่นเน่ตัวรากที่มันแทงออกมาจากกิ่งที่เราตอนหรือต้นก้าที่เราชำนึนเรียกว่าตัวสัมปัญญะแต่ตัวสติคือตัวต้นไม้ตรงนั้นแหละสัมพันธ์กันอ่าแค่ดูให้ละเอียดลงไป ไม่ทราบว่าใครเอาไปทําได้บ้า ง, ว, งวันนี้แบมทําได้กี่เปอร์เซนต์หรือว่าวันนี้ฝนตกเลยหลับไปหลายนั่นให้เราเลยอืมหรือบรรยากาศชวนหรือเกินวันนี้หลวงพ่อจะหนล่งพ่อทําท่าจะงีบก็เก่งใจเทวดาเลยไม่กล้าหิวเลยหาเรื่องทําหาเรื่องน้นเรื่องทําให้มันตื่นเชื่อหกสิบเปอร์เซน ตีนตลอดเมันมันง่วงไม่ง่วงเลยนะอ๋อเพราะฉะนั้นคนไหนที่เอาไปทำเรื่องสัมปทัญญาให้ชัดเจนนะเป็นสัญญาณของความก้าวหน้าคือเรื่องนี้ต้องไปสำรวจตรวจสอบจริงๆมันถึงจ ะ, ะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าหากเราปล่อยเรื่อยๆป่วยเฉยๆตามอารมณ์ยาก มันมันจะไม่ลงลึกมันจะรากมันจะไม่ลงรากมันจบางต้นไม้บางต้นเนี่ยเราปลูกนานก็จะขึ้นเนาะบางทีก็ไม่ขึ้นนะก็ตายไปเนะต้นไม้เราปลูกสิบต้นเน่ยบางทีมันขึ้นดีๆไม่กี่ต้นนะปุ๊ปปีหนึ่งปีหนึ่งเราปลูกต้นไม้กังเยอะนะแต่ว่าอมันตายจรขึ้นจริงๆไม่กี่ต้นนะฮะอันนี้เหมือนกัน โดยสติที่เลี้ยปลูกลงไปเนี่ยที่มันจะเป็นตัวสติเติบโตริงจริงอ่ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกเพราะรากคือสัสมปชัญญะเราไม่หยั่งลึกมันถอนง่ายถ้ารากไม่ลึกพอหน้าแรงมันก็ตายนะเพราถูกเผานะแต่ตัวไหนารากมันหยั่งลึกเนี่ยมันพ้นรัศมีความร้อนมันก็รอดอยู่ดัง น, น, นั้นตัวสัมปชัญญะนี่มีความสําคัญ ใช้ว่าสัมปชานุสติมาเอาสัมปชานุขึ้นก่อนเลยนะอาดาปีสัมปชานุสติมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสํารวจในสัมพันธยาสี่สถานหนึ่งรู้เป้าหมายว่าเราจะสมมุติเราจะลุกเรารู้เป้าหมายก่อนจะลุกไปทําอะไรเรจะโยกสายโยกปาเนี่ยรู้เป้าหมายก่อนจะโยกไปทําไม ไม่ใช่โยกโดยปรชาชาจากเจตนานะ เ, าออเออใช้ตั้งใจซะก่อนนะออสมมติสมมติจะใ จ, ะ จ, ะจะเหลียวนี่นะต้องถามก็วใจเหลียวไปทำไมอันนี้ไม่ไม่ได้ถามหรือไปก่อนอะไรไปเลยนะ อ, นนอันนี้เขาเรียกขาดสาธการสัมสัญญาขาดเป้าหมายในช่วงที่เราฝึกฝนเนี่ยจำเป็นต้องมี เพอะไรเพราะมันเป็นบทเรียดใหม่ของชีวิตถ้าเราไม่ยอมฝึกฝนหรือพยายามที่จะทำให้เกิดจิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังไปเคยชินเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องการที่จะสร้างร่องใหม่ทางใหม่ให้ ก, กับจิตจิตมันเคยจะวิ่งไปทางร่องเดิมถ้าเราไม่กากับบังคับหรือไม่ตั้งเจตนาจริงๆจิตมันก็จะไปร่องเดิมของมันนั่นแหละนะ แต่พอเรากํากับเราพยายามปรับเวียนตัง้งใจจริงมันก็ไปได้เหมือนกันไปได้สมมติว่าพุ๊บปั๊บจะลุกเนี่ยจะลุกไปเลยไม่ได้นะถ้าสเรวจจะลุกไปทําไมหาเป้าหมายในการลุกเสียก่อนถ้าไม่มีเป้าหมายอย่าเพิ่งลุกหาเป้าหมายเอยจะไปห้องน้ํานะพอเป้าหมายอยู่ในห้องน้ําก็เริ่มลําดับเรา จ, จะไปยังไงสปายะไหมสปายะคือไปอย่างสะดวกไหมเริ่มต้นหนึ่งสองสาม เรียกสัพพายะสัม ป, ปชัญญะแล้วก็พอขณะไปก็ต้องสำํำรวจกายกับใจไปด้วยกันไหมหรือเดินนี่ปีแต่กายใจไปในใจไปรอยอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว <ใน S 1> <laughs> ต้องโคจร อ, อันที่สามเรียกโคจรสัม ป, ปชัญญะโคจรไปร่วมกันห ล, <ง>ลงทางเพราะอะไรจิตไปอยู่ที่นู่นกายหลวงไปไหนไม่รู้ไปไม่ถูกนี่ก็เรียกขาดโคจรกายกับใจไม่โคจรไปร่วมกัน ที่โคจรสัมปัญญะเป็นรากที่สามรากที่สี่เมื่อเดินไปถึงห้องน้ําแล้วกลับมาพิจารณาอีกครั้งเอ๊ะเมื่อกี้เราเริ่มต้นณจุดไหนมาถึงตรงนี้เราเดินมาทางที่ไหนแล้วก็เดินมากี่ก้าวก้าวแต่ละก้าวเป็นยังไงหนักเบาสบายหรือไม่สบายคิดหรือไม่คิดตรวจสอบอิคละอัศ ม, มูหะสัมปัญญะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ทําวันนี้บทเรียนนี้นะเอาไปซ้อมทําอีกครั้ ง, งดีไหม เอาไปด o บเ l e c h ช็ k อีกครั้งหนึ่งคนงนะฮก็กอันนี้อันนี้ถ้าเราไม่ทำขนาดนั้นมันมันไม่ได้นะธรรมะนี่นะใครจะรู้ไปลึกขนาดไห น, นถ้ารากมันไม่ดีนะมันต้นไม้มันพุ่งชุ่ๆชุุขึ้นไปแล้วรากมันไม่ดโดมมาทีเดียวล้มเลยเพราะฉะนั้นต้องหยั่งรากให้ลึกจะก่อนล้ว เฮ้พุ่งไปอากาศรากฐานนี่สําคัญนะเหมือนกับเราคนที่เขาจะสร้างบ้านสร้างตึกโอหศาสตอกเสาเข็มไม่รู้เท่านหุดลึกลงไปเห็นไหมต้องอย่างรากเสียก่อนก่อนที่มันจะเติบโตนะสติสัมปชัญญะเหมือนกันก่อนที่จะเติบโตเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาญาณชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยมันจะต้องอย่างรากสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยให้เพียงพอสมควร อันนั้นก็คือการรู้ตามรู้อย่างละเอยียดทีท้วนในแต่ละในแต่ละระดับที่ท่านกาหนดเอาไว้เนี่ยสัมปชัญญะแบ่งเป็นสี่แบอย่างที่กล่าวมาแล้วศาตตะสัมปชัญญะส ป, ปายะสัมปชัญญะโจระสัมปชัญญะหาสมโมหะสัมปชัญญะแล้วสติปัญาน่ท่านก็แบ่งไว้สี่เหมือนกัน ในสัมปัญญะสี่ข้อเพื่อมากำกับสติปัฏฐานสี่ตัวกายานุปัสนาจะไปไหนต้องมีเป้าหมายคือตัวสถานะเวทนาต้องให้เบาสบายเดวยว่าสปายะสัมปชัญญะเวทนานุปัสนาสติต้องมีสปายะแเป็นตัวกำกับตัวจิตานุปัสนาต้องโคจรไปกับกายเสมอจิตมันชอบไปก่อนไง เพราะฉจิตานุปัสสนาต้องเอาโคจระสัมปชัญญะเข้ามากำกับพราว่าธรรมานุปัสสนาคือตัวพิจารณาธรรมต้องเอาอะสัมโมหสัมปชัญญะเข้ามากำกับนั้นสติปัญสีจะไปได้ถูกที่ทางต้องมีสัมปชัญญะกำกับเป็นตัวเป็นตัวไปเลยผู้ทุนเี่ยุทธเจ้าท่านละเอียดอ่อนมากนะแต่ว่าก็ไม่เกินสติปัญญาของเราที่จะเข้าใจได้นะ เราตั้งใจศึกษาดัง น, นั้นคึงบอกว่าในจำวันเนี่ยเราอยปล่อยให้อํานาจของสงเทียมเข้ามายาวนานเกินไปเพราะชีวชิชีวชิตจวันของเราที่เคยมาอย่างไรถ้าเราก็จะเคยเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันมันไม่เห็นการเปลีป่ยนแปลงที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมาก็เลยว่าการที่เราได้ มีการปรับเปลี่ยนขึ้นไหวเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลามันทำให้เราเห็นเหมือนการซักซ้อมอ่ะการซักซ้อมเพราะนั้นในวิธีการอนุเวทเทียนในดีที่สุดตรงที่ว่ามันทำให้เราขยันเพราะมันจะต้องหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ทำให้มันเกิดความการซักซ้อมกายกับใจเนี่ยนะเราจะเห็นทุกแต่ทุกคนส่วนใหญ่มันติดสูะขี้เกียจอะไร อ, อะไรเห็นอยู่ก็ไม่อยากทอ <c oughs> จะทำรู้เหมือนเรื่องมันทุกข์มันยากไปทํามันทําไมแต่หารู้ไหมเนั่นคือสนามปฏิบัติ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาทํางานเนี่ยมามาทำงา น, าางานกลางแดดกลางฝนไม่เห็นว่ามันทุกข์ตรงไหนเพราะนั้นคือปฏิบัติเราปฏิบัติก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดีเราได้เห็นทุกข์ทุกข์ต้องกําหนรดรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกลัวทุกข์เราขี้เกียจเราไม่เอาไม่เอาทุกข์เนี่ยมันจะเข้มแข็งได้อย่างไรคนใช่ไหมทุกข์ต้องกําหนรดรู้ถ้าเรากลัวทุกข์เราจะเข้มแข็งไม่ได้เลยนะ แต่ทุกท่านบอกว่าให้ใช้มันให้เป็นน่ะฝึกใช้ทุกให้เป็นเพราะฉะนั้นเองคนกลัวทุกแล้วกลัวตายกลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้พอตายมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่รีบเคลื่อนไหวตอนที่มันเป็นๆเนี่ยนะทําไมไม่รีบขยันก่อนที่มันจะเป็นก่อนที่มันจะไม่ได้ขยันนี่แหละเพราะไม่ไม่รีบทุกเสร็จก่อนที่มันจะไม่ได้ทุกกตายแล้วไม่ได้ทุกนะไม่จะทุกตอนที่มันไม่ตายเนี่นะ เพราะฉะนั้นชีวิตนี่มันน่าวันวันหนึ่งไม่น่าหลับไหลเลยเพราะมันเสียดายเวลาที่จะได้ตื่นเพราะอยู่หน่อยแล้วก็ได้นอนยาวไม่รู้นอนยาวนะไม่ต้องเคยไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นให้ลาบากเลยนะเพรา ะ, ะนั่นจะไปเสียเวลาหลับทำไมอยู่หน่อยแล้วก็ได้หลับยาวแนละ้วเพราะฉะนั้นเอง ม า, าเขไว้วันวันมนุษย์อยู่อะไรกันนะทำไมบางอย่างน่าทำยกคำไม่ทํำบางอย่างไม่น่าทําก็ไปทําอย่างงี้นะมันก็สนุกในการปฏิบัติในวิธีการอุเทียนโชคดีนะมาว่าที่เราพบนะถ้าประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติวิธีการอุเทียนสักยี่สเปอร์รเซ็นต์โอเวอทยรลุ่มโลดนะคนจะกรยันยันตรงนูะเอาไปทดสอบวิธีไหมสมัยยสีนะไปเก็บรายละเอียดอีกครั้ง แต่เช้าที่บอกไปเก็บรายละเอียดมันยังไม่ได้ระบุชัดเจนโอ้ไปทำที่บ้านโอไปทำเที่ยวทำที่นี่แหละไม่ต้องไปทําที่บ้านทําที่นี่ยังไม่ยังไม่เสร็จวันที่แปดเนี่ยเสร็จต้องดูถึงวันที่แปดเลยนะไม่ไปได้หรอกอีกสองสามวันไม่โลกไม่ถล่มทลายไปก่อนหรอกกิเลสมันชวนเออนี่ขึ้นบ้านเราไม่ไปขึ้นหากิเลสมาหาเรื่องนี่นี่ อันนี้เนี้ย เ, เอาเอาแท้ๆได้สู้กี่เดียไม่ได้แล้วนี่ทํำทา่าเนี่ไม่ได้ไม่ได้เนื่องจาวันที่วันที่แปดไม่เคยออกอยู่เพิ่ง อ, ออกนี้กําลังแร่ลงดีอยู่กําลังยากลากสมบัติยากกำลังจะย่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวถอนไปแล้วเดี๋ยวเอาไปแห้งอถอนไล้วต้นไม้เหี่ยวเยี่ยบๆเลยนะ ท, ทานําท่าอย่างอยู่อยถอนอแล้วพราะเราเอาไปปลูกใหม่ไม่ทันการเลยนะ